แค่ว่าเรียบเรียงระบบความคิดให้เป็นไปตามแนวปฏิจจสมุปบาทยังยากไอ้ที่ยากก็คืออะไรรู้ไหมเพราะไม่ยอมคิดตามแบบพระพุทธเจ้าพาคิดไม่ยอมจะเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพาเห็นคือคือมันเหมือนกับว่าจะว่าสงสยัยหรือมันก็ไม่สงสยัยจะว่าเชื่อเลยไหมมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเนี่ยคือปัญหามันแหะแล้วก็ยุ่งยุ่งอยู่เหมือนกันคือคือไม่พยายามที่จะเห็นตามว่าพระพุทธเจ้าพาให้เราเห็นเห็นอะไรแล้วก็เห็นว่า อย่างไรพันปฏิจจสมุปามบาทก็เลยอยู่ในอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหนังสือไงอยู่ในพระไตรปิฎกเข้าพิมพ์ไว้ในตู้ไว้นะเอาแค่กราบไหวก็ยังดีได้บุญเยอะนะแต่ก็จะได้แค่เนี้นะแต่ถ้าบอกว่าลืมตาเมื่อไหร่ปับ๊บเห็นเลยใช่ไหมตานี่มีอะไรเป็นปจัจจัยมีนามรูปเป็นปจัจจัยนามรูปมีอะไรมีกรรมวิญญาณเป็นปจัจจัยกรรมวิญญาณมีอะไรเป็นปจัจจัยมีสังขารสังขารมีอะไรเป็น ปัจจัยมีอวิชชาเพราะฉะนนั้อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีกรร ม, มวิญญาณทําให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุได้เกิดตาจักขู่อาศัยจักขู่กับรูปเกิดจักขู่วิญญาณทำสามอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยก็เลยพอมองเห็นแล้วนิ่งเลยใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ถ้าทำกรรมกรรมมพบอันนี้เป็นปัจจัยให้มีอะไรให้มีตาอา้าวก็ได้มีตาจะได้ไปเห็นต่อเอามีตาแล้วทําไงอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณเรื่องระบบไก่กับไข่ก็เป็นไปอย่างนี้แล้วถามว่าจบอยู่ที่ไหนสังสารวัตรก็เป็นไปอย่างนี้ถามว่าจะตัดตอนอยังไงเอาไข่ไปต้มมีอย่างเดียวนั่นนะอันนี้ก็เหมือนกัรเนี่ยนะถ้าตัดเยื่อใหญ่นนะถ้าตัดเยื่อใหญ่ไม่ได้หรือว่าไข่อันนั้นถ้า ไม่ใช่บ่มอย่างเต็มที่เนี่ยนะไม่ตัดยางเหนียวเยื่อใยสายสัมพันธ์แห่งวัตตะเนี่ยถ้าตัดไม่ขาดโว้ยมีตาอีกหลายคู่เนี่ยนะอาจจะตาปูตาโบตาโลตาเหล่ตาเห ล, ลือกตาอะไรกันแล้วแต่ก็เป็นไปตามถ้ายังมีตาใช่ไหมความวิบัติต่างๆชาติชรามรณะต่างๆก็มีตานั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็ปัจจัยทั้งหลายมันก็โว้อย่างเงี้ยแค่จะคิดตามอย่างที่พระพุทธเจ้าพาคิดยังจะพระองค์บอกว่ายังจะยากเลยว่างั้นเถอะยังจะยาก เพราะฉะนั้นยากที่เขาจะเห็นเพราะจริงๆอทุกครั้งที่เห็นเนี่ยอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากครูวิญญาณสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาเราคิดอย่างนี้ไหมบอกไม่เราเห็ น, นการเห็นนี่มันของเราเนะตัวเราเนี่ยเป็นผู้เห็นแตส่วนใหญ่ก็คิดอยู่เท่านี้ใช่ไหมเราเห็นก็สรุปว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไอ้ความคิดอันนี้แหละนั่นแหละคือวิธีสร้างตาเราเห็นการเห็นของเราเราเป็นผู้เห็น นั่นแหละคือวิธีการสร้างตาเอาถามว่าถ้าจะดับตาละ่ะก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายไม่ใช่โทสะนะนิพพิธาหรือความเบื่อหน่ายเป็นผลของอะไรเป็นผลของอนิจจานุปัสนาเป็นผลของทุกขานุปัสนาเป็นผลของอนัตตานุปัสนาอนุปัสนาสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิพพิธาให้บริบูรณ์นิพพิธาที่บริบูรณ์นั่นแหละหลีกออกจากสังขารธรรม ที่เห็นธรรมที่สงบประงับสังขารทั้งปวงพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่สงบจากสังขารทั้งปวงนิพพานนั้นสงบจากตานิพพานพันจึงไม่ใช่ใช้ตามองเห็นนิพพานสงบจากหูเพราะฉะนั้นไม่ใช่หูฟังนิพพานสงบจากจมูกเพราะฉะนั้นมจึงไม่ใช่จมูกรูเกล็่นนิพพานเป็นธรรมที่สงบจากลิ้นไม่ใช่ลิ้นรับรู้รสนิพพานไม่ใช่รับกระทบสัมผัสทางกายเพราะนิพพานจึงไม่ใช่กาย นิพพานเนี่ยนะรู้ได้ด้วยโลกุตระจิตไม่ใช่รู้ได้ด้วยกามาวจรจิตเพราะฉะนั้นกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตจึงไม่ใช่นิพพานแต่นิพพานเป็นธรรมที่สงบระงับดับตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายแล้วก็ดับใจพลันใจที่จะนําเกิดในภพใหม่จึงไม่มีถ้าตรัสรู้พระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นตามที่สงบสังขารทั้งปวงสลัดคืนอุ ป, ปธิสลัคืนขันทูปฏิสังอ่า สังขารูอ่ะพี่สังขารู ป, ปฏินิพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นิพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากกรรมที่นําไปสู่พบใหม่พระนิพานจึงเป็นธรรมที่อัดสิ้นซึ่งตันหาเพราะฉะนั้นนิพานจึงเป็นธรรมที่สิ้นตันหาเป็นธรรมที่ละคลายตันหาอย่างไม่เหลือเป็นธรรมที่ดับตันหาดับราคะโทสะโมหะ เป็นธรรมที่ออกจากตันหาเรียกว่านิวานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนิวานะตันหาเนี่ยเชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเชื่อมจากเกิดในคันจากคันสู่คันจากการเกิดในไข่สู่การเกิดในไข่จากการเกิดในเท่าใครสู่การเกิดในเท่าคลายจากโอปอปาติกะสู่โอปอปาติกะจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งตันหาเป็นตัวเชื่อมเหตุเชื่อมผล เรียกว่าสายโซ่เนี่ยนะสายโซ่คือสังโยชน์อนนสายโซ่โซ่คือตันหาที่ล่ามสัตว์เอาไว้พระนิพพานจึงเป็นธรรมที่สลัดออกจากตันหาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสรุปว่าอริยสัจทั้ง4ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นอ่ะเป็นเป็นอะไรเป็นธรรมที่บรรลุยากเห็นยากรู้ตามยากนนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็ลึกเห็นยากรู้ตามยาก พระนิพพานด้วยแล้วเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบประณีตอย่างลงไม่ได้ด้วยการตรึกละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะั้นจะบอกเขายัางไงเนี่ยก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมถ้าเราประกาศอริยสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะและคนอื่นก็ไม่รู้ทั่วถึงธรรมะของเราเราก็จะลำบากเหน็ดเหนื่อยเปล่าเสียนะนะพูดอยู่ตั้งนานเหรอเหรอ รู้เรื่องเลยอย่างงี้ยนะอ้าวมันก็เหนื่อยฟรีสิอย่างเงี้ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยที่เราไม่เคยได้สดับมาก่อนก็เกิดผุดความคิดขึ้นมาว่าความคิดได้เกิดขึ้นแกนเราว่าบัดนี้เราไม่ควรประกาศทำคือสัตจะทั้งสี่ที่เราได้บรรลุได้โดยยากนี้มันไม่ต้องสอนหรอกมั้งไอ้หนึ่น เขบอกว่าบัดนี้ไม่ควรจะประกาศไม่ควรจะแสดงข้อปฏิบัติที่เราได้อ่าทำที่เราบรรลุยากเอะคืนต้นโพบรรลุยากไหมคืนสุดท้ายนะ่ะบรรลุยากไหมไม่ยากเป็นสุขขาปฏิปทานแล้วก็ขิดปาอภิญยาปฏิบัติสะดวกและบรรลุง่ายเพราะมีฌานอภิญญาเป็นบาดแล้วก็ตรัสรู้ได้อย่างเร็วแต่ที่ยากหมายถึงข้อปฏิบัติกว่าจะได้มานั่งคืนต้นโพเนี่ยนี่ยากเพราะอะไร อัตถกาถาท่านบอกว่าในหน้า446น่ น, นะกิจเช น, นะแม่ที่ไม่ใช่ทุกขาปฏิปธทมหมายคมว่าขณะอริยมรรคนะโสดาปติมัรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหั ต, ตมรรคของพระองค์นั้นเป็นสุขขาปฏิปทรปฏิบัติอย่างสบายเพราะมีฌ า, อานอภิญญาเป็นบาตรแล้วก็ตรัสรู้ได้อย่างฉับพลัน แต่ที่บอกว่าบรรลุได้โดยยากเนี่ยนะกิจเฉนะกิดโชนี่นะมันยากมากเนี่ยยากเพราะอะไรหมายถึงอาคมนณียะปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติที่พระองค์สร้างบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะสมัยที่พระองค์ยังเตยังต้องอยังมีราคะมีโทสะแล้วก็มีโมหะตอนที่มีราคะโทสะและโมหะนี่ต้องสร้างบารมีที่ทวนกระแส ร, ราคะโทสะและ โมหะอยู่ตัวลอดเวลาคนมีราคาแต่คิดกำจัดราคะเนี่ยมันยากขนาดไหนใช่เคยป่วยไหมเคยปวดหัวไหมแล้วคิดให้มันหายปวดหัวนี่ทำยังไงมันยากเหมือนกันนะคนมีราคะแล้วคิดดับราคะก็ยากคนมีโทสะคิดดับโทสะก็ยากคนมีโมหะคิดดับโมหะก็ยากเราลองคิดอะไรไม่ออกลองคิดให้มันออกดูสิง่ายหรือยากอ่ะต้องเลยไเป็นโมหะคิดอะไรก็ไม่ออกแล้วมันต้องออกสิมันต้องออกสิมันทำได้ไงมันยากเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพูดถึงบา ร, รมีที่พระองค์ทำเนี่ยนะตัดศีรษะอันประดับตกแต่งแล้วนําเลือดในลําพระศอ์เขาเรียกว่าเชือดคอเพื่อให้ทานน่ยนะควักในตาควักดวงตาที่หยอดตาดีแล้วให้ทานวัตถุอย่างอื่นเป็นต้นเช่นบุตรผู้เป็นประทีปแห่งวงตระกูลเช่นกันหาชาลีเป็นต้นน่ยนะบริจาคภริยาผู้หน้าพอใจแก่ยาจกผู้มาแล้วมาเล่า แม้กระทั่งภริยาที่น่าพอใจก็ให้แล้วก็บางพบบางชาติเขาถูกตัดตามร่างกายถูกตัดหูตัดแขนตัดจมูกเช่นกับขันติวาทีดาบทสรุปว่ากว่าจะได้ตรัสรู้อริยสัจเช่นนี้ทานที่ไม่เคยให้ไม่มีศีลที่ไม่เคยรักษาไม่มีเนคขมมะที่ไม่เคยเจริญไม่มีแม้กระทั่งสละราชสมบัติเพื่อเจริญเนคขมมะปัญญาที่ไม่เจริญไม่มีวิริยะภาคเพียรเป็นต้นเนี่ยนะ วิริยะขันติสัจจะเมตตาอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาสรุปว่าบารมีเหล่าใดที่ไม่เคยทำไม่เคยสร้างไม่เคยปฏิบัติกว่าจะได้ตรัสรูป้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายเลยแม้กระทั่งชาติสุดท้ายเนี่ยนะก็ยังต้องสแสวงหาโพธิญาณอีก6ปีเนี่ยนะปีเนี่ยสแสวงหาว่าอะไรคือกุศลวิจัยเลือกเฟ้นกว่าจะเห็นสติปัฏฐาน นะวิจัยเลือกเฟ้นกว่าจะพบสัมมประทานวิจัยเลือกเฟ้นกว่าจะพบอิทธิบาทอินทรีย์พะละโพชงและองค์มักเนี่ยนะถ้าเราลองคิดดูนะปิดหนังสือให้หมดแล้วก็นั่งหลับตาเลยนะั้นสติปัฏฐานจะมาอย่างไงเนี่ยแล้วอิธิบาทเป็นยังไงอินทรีย์พะละโพชงและองค์มักเนี่ยนะเอาโดยเฉพาะองคมักเออ n ั่งหลับตาผมเห็นอริยสัจได้ยังไง เออนั่งหลับตาแล้วยังไงเป็นสัมมาสังกปะนั่งหลับตายังไงเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะแล้วนั่งหลับตาอยู่ยังไงจึงเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแล้ว นั่งยมไงเป็นปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานเนี่ยังไงเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานแล้วนั่งยังไงนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นเนี่ยนะนั้นถ้าเราจะรู้เลยว่าแล้วท่านคิดแบบไม่มีพระไตรปิฎกแบบสอนอ่ะนะขณะเราเนี่ยมีคําสอนพระไตรปิฎกพิมพ์เยอะแยะไปหมดเลยเนะนี่ยนะมิสุดที่มรรค ก, ก็พิมพ์จนไม่รู้กี่ฉบับต่อกี่ฉบับเนี่ยนะอ่านแล้วอ่านแล่าก็ยังยังทำมันไม่ถูกเลยนะว่า ง, งั้นน่ยจะรู้ว่าพระองค์พูดนั้นไม่ผิดเลยว่า ทำที่พระองค์กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นยากเนี่ยนะถามว่ายากขนาดไหนก็สี่อสงไขยแสนกับเนี่ยแล้วก็บารมีอีกมากมายอันนี้คือพูดถึงการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าตรัสรู้เป็นสาวกอนะสาหรับพระพุทธเจ้าผู้ยังรู้อัธยาศัยสัตวจสอนตามอัธยาศัยไม่นานเขาก็ตรัสรู้แต่ต้องมีคุณสมบัติเช่นหนึ่ง เป็นคนที่ไรเป็นคนมีศีลเป็นคนไม่มีมายาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ปรารบความเพียรเนี่ยนะเปิดเผยตนตามเป็นจริงแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะรู้ความเกิดความดับอันเป็นอริยเป็นต้นน่ถ้ามีคุณสมบัติอย่างนั้นบรรลุไม่ยากเนี่ยสอนเช้าบรรลุเย็นได้เป็นต้นแต่ถ้าพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยเชื่อไหมพระอรหันต์บางองค์ก่อนที่ท่านจะบรรลุเนี่ยนะ น้ำตานองหน้าทั้งนั้นน่ะนะไม่ใช่น้อยเลยเนยีทรงพระไตรปิฎกด้วยนะแล้วข้อปฏิบัติท่านก็ไม่เข้าใจผิดสอนคนอื่นบรรลุมากมายแต่ท่านเองนั้น30ปีเนี่ยนะน้ำตาอาบแก้มกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยนะโดยมากแล้วก็สมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะไอ้ที่เราแบบบรรลุเร็วเร็วเนี่ยเฉพาะไอ้ที่บรรลุช้าชาล่ะโดยทั่วๆไปเลยหนังตัวอย่างเขจะเอาแต่เรื่องแบบเด็ดเด็ด แบบประเภทแบบพิเศษพิเศษนะแต่ถามว่ายากยากเนี่ยโว้ยเดี๋ยวก็ท้อหมดดูสิคนนั้นก็ยากคนนี้ก็ยากไอ้เราก็ไม่ค่อยอยากเจริญอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งมาอ้างอะไรที่มันยากยากก็เลยพลอยากอย่างเช่นคิดง่ายพระไตรปิฎกเนี่ยนะจริงๆเนื้อหาในพระไตรปิฎกเมื่อไหร่ก็ยากแต่ที่มันยากมากเพราะได้ยินคําว่ายากคนนั้นก็ว่ายากคนนี้ก็ว่ายากคนโน้นก็ว่ายากคนนั้นก็ว่ายากก็เลยไม่อ่านเลยนะก็เลยไม่อ่านก็เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนเชื่อว่ายาก แต่ถ้าหากว่าทุกคนบอกเรียนได้นะศึกษาได้ถ้ามีศรัทธาก็เรียนได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียนได้เนี่ยปัญหาว่ามีศรัทธาที่จะเรียนที่จะอ่านแล้วบอกว่าปฏิบัติตามแหะถ้ามีศรัทธาก็ทําตามได้เนี่ยนะถ้ามีศรัทธาที่จะทําตามก็ต้องคิดแบบอะไรนะคิดแบบพระองค์ตอนที่ไปเรียนกับอาลาระดาบดุทกะดาบดใช่ไหมว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถึงตัวเราก็มี ศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาทีนี้การศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ใช่แต่พระอริยสมัยอดีตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราเองก็มีศรัทธาเราจะเจริญศรัทธาหรือไม่นะแต่ถ้าเจริญศรัทธาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติปรัสรู้ตามได้ส่วนรายละเอียดเนี่ย น, นะต่อไปที่บอกว่า พระ อ, องค์บอกว่าบัดนี้เราไม่ควรประกาศสัจธรรมทั้งสีที่เราได้บรรลุได้โดยยาติธรรมะนี้คือโลกุตรธรรมเนี่ยนะผู้ที่มีราคะโทสะหนาแ น, น่นตรัสรู้ได้ไม่ง่ายเลยนานะคนที่จะตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรอบรู้ไม่ง่ายเลยถ้าก็คิดดูนะว่าขณะที่ราคะโทสะโมหะกาเริบเนี่ยแค่ฟังธรรมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยจะว่าอะไรไปประสรู้ใช่ไหม มันคนที่เกลือกกล้วอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะที่จะกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญคุณธรรมทั้งหลายไม่ใช่ทําได้ง่ายเพราะชนผู้กําหนัดด้วยราคะทั้งที่เป็นกามะราคะภวะราคะหรือทิฏฐิราคะก็ตามถูกกองอวิชชาอันมืดมิดหุ้มห่อเอาไว้เนี่ยนะตัณหานี่มันฉุดเข้าไปแล้วก็ปิดตา ถูกตันหาจูงแบบแหมโซ่ใหญ่มากเนี่ยนะจูงเขาอ่านกนะ็เรียกว่าตันหาเส้นโตเนี่ยนะดึงตาไปแนละ้วตันหาเส้นโตดึงหูดึงจมูกดึงลิ้นดึงกายดึงใจแล้วก็ปิดตาปัญญาสนิทแล้วก็ถูกฉุดออกไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นธรรมที่ทวนกระแสโลกหรอกยากที่จะเห็นธรรมที่ทวนกระแสเขาบอกอริยาาสัจสี่เนี่ยเป็นธรรมที่ทวนกระแสมากเพราะคนที่จะบรรลุอริยาาสัจสี่เนี่ยนะถ้าเห็นว่าสุขบรรลุอริยาาสัจได้ไหม ถ้าเห็นว่าสุขถ้าเห็นว่างามแทงตลอดอริยศัสตร์ได้ไหมถ้าเห็นว่ายั่งยืนแทงตลอดอริยศัสตร์ได้ไหมถ้าตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราจะแทงตลอดอริยศัสตร์เป็นต้นได้ไหมบอกยากมันคิดตรงข้ามกันหมดเลยแหละนั่นนะ ปุตุชนว่าไม่งามพระปุตุชนว่างามพระอริยท่านบอกอสุภะปุตุชนบอกว่ายั่งยืนพระอริยบอก อ, อนิจจังปุตุชนบอกสบายพระพุทธเจ้าอาริยบอกวันนี้ทุกเนี่ยนะปุตุชนบอกว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราพระอริยะบอกว่านั่นอนัตตาอณิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเนี่ยถ้าไม่เห็น อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย ก็ไม่ใช่ฐานะเมื่อไม่เบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดได้อย่างไรถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะรู้ยิ่งทาที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นได้อย่างไรเพราะธรรมนี้ถือว่าทวนกระแสละเอียดเป็นอนุมันจเรียกว่าละเอียดถ้าแบบเปรียบก็เหมือนกับฝุ่นละอองอนงะั้นลึกซึ้งเห็นได้ยากนั้นอย่าสอนเลยนะนะสรุปอย่าสอนเลยนะนะเขาไม่รู้เรื่องล้วก็เหนื่อยเปล่าสินะ ดูการพิสูจน์ทางหลายเมื่อเราคิดเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยแค่เรียกว่าน้อมน้อมไปเพื่อไม่สอนไม่น้อมไปเพื่อการสอนเนี่ยนะไม่น้อมไปเพื่อการสอนเพราะอะไรเพราะเห็นว่าธรรมะนี่ยากสัตว์ทั้งหลายกิกเลสหนาเนี่ยนะพูดง่ายๆเรื่องก็ยากคนก็โง่เนี่ยนะไม่รู้จะบอกเขาว่ายังไงเนี่ยนะแต่ก็แต่ถามว่าแล้วจริงๆแล้วพระองค์สอนไหมล่ะ ตอนแรกคิดอย่างนั้นจริงแต่ตอนหลังก็สอนไม่งั้นพระไตรปิฎกไม่มีถึง 84,000 พันระธรรมขันรอกเนี่ยนะส่วนรายละเอียดอย่างอื่นว่าทำไมจึงสอนเพราะพรหมาราธนาเป็นต้นนั้นก็คงเป็นพรุ่งนี้เนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะท้ายที่สุดนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าสแสวงหาธรรมที่ประเสริฐเนี่ยนะสแสวงหาธรรมเป็นที่ดับชาติชรามรณะดับโสกะประิดับอุปายาต หรือดับสังกิเลตพระพุทธเจ้าพบธรรมใดเป็นที่ดับชาติชรามรณะด้วยบุญกุศลที่เราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติถึงสารณาคมชมเชยพระรัตนตรยนะตั้งใจฟังธรรมเป็นต้นขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อให้ตรัสรู้ทำเป็นที่ดับชาติชรามรณะดับพยาธิดับโซกะดับสังกิเลทั้งปวงทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้